วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เเป็นวันที่พวกเราได้มารวมกันศึกษาปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่4ประการด้วยกันที่เรียกว่ากิจในอริยสัจสี่ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ที่ต้องการตัดภพตัดชาติต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิด ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจในอริยาาสัจว์4ให้ครบสมบูรณ์ทั้งสประการดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้ว ได้ตัดภพตัดชาติได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมาแล้วผู้ที่ต้องการผลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ต้องบาเพ็ญเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมานั่นเองก็คือต้อง ปฏิบัติภารกิจสี่ประการนี้คือหนึ่งทุกต้องศึกษาต้องกำหนดรู้สสมุทยัยต้องละสามดโรดต้องทำให้แจ้งสี่มักต้องเจริญให้สมบูรณ์นี่คือ สี่ประการด้วยกันที่เป็นภารกิจที่ผู้ที่ต้องการมรรผลนิพพานต้องการการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องปฏิบัติกันอะไรที่เราจะใช้ในการศึกษาหรือกำหนดรู้ความทุกข อะไรที่เราจะใช้ในการละตันหาความอยากละสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์อะไรที่เราจะใช้ในการทาให้นิโรธปรากฏแจ้งขึ้นมาก็คือการเจริญมรรคนี่เองเพราะมรรคจะเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้กำหนดรู้ความทุกข์มรรคจะเป็นผู้ ละสมุทยัยละตัณหาต้นเหตุของความทุกข์มักจะเป็นผู้ทานิโรธคือความดับทุกข์ให้ปรากฏแจ้งขึ้นมาดังนั้นในการบำเพ็ญจึงอยู่ที่การเจริญมรรคนี่เองเพราะถ้าได้เจริญมรรคก็จะได้ ทำภารกิจตั้งสามข้อทั้งสี่ข้อไปพร้อมกันทั้งหมดถ้าจเจริญมากก็จะได้ศึกษาความทุกข์กําหนดรู้ทุกข์ถ้าจเจริญมากก็จะเห็นว่าสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะต้องละสมุทยัยถ้าละสมุทัยได้ ก็จะทําให้นิโรอดปรากฏแจ้งขึ้นมาดังนั้นการปฏิบัติภารกิจในอริยศาสตร์สจึงสรุปลงที่การเจริญมรรคนี่มรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์มรรคที่พระเจ้าทรงสอนก็มีสองแบบมรรคที่สอนให้กับนักบวชและมรรคที่สอนให้กับคารวะญาติโยม มีความต่างกันตรงที่ทานทานนี้เป็นมรรคของคาววะญาติโยมเนื่องจากว่าคารวะญาติโยมยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ต้องสละไปนั่นเองส่วนนักบวชนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วจึงไม่ต้องสละทรัพย์อีกต่อไป เพราะสละไปหมดแล้วเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงปฏิบัติเจริญมรรคในฐานะของนักบวชพระองค์ก็ได้ทรงสละพระราชสมบัติไปแล้วไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไปนอกจากาเสื้อผ้าอภรรท์ที่ทรงสวมใส่แม้แต่เสื้อผ้าอภรรกก็ยัง ทรงสละไปไม่มีความหวงไม่มีความยึดติดเวลาเดินประสวนทางกับขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าพรที่พระ อ, องค์ทรงสวมใส่มีความสวยงามก็ขอแลกกันพระ อ, องค์ก็ทรงแลกเอาเสื้อผ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมอบให้กับขอทานแล้วขอทานก็เอาเสื้อผ้าของขอทาน มอกให้กับพระพุทธเจ้านี่คือทานถ้าเรายังมีสิ่งข้าวของเงินทองสมบัติอะไรต่างๆถ้าเราไม่สละมันจะเป็นภาระผูกพันมันจะเป็นเหมือนของหนักที่เราไม่จำเป็นจะต้องแบกบเวลาเราเดินทางโดยเท้าโดยไม่มีพาหนะนี่เราจะเอาแต่ของที่จำเป็นจำเป็นไปเท่านั้น ของที่ไม่จำเป็นนี้เราจะไม่อยากจะเอาไปเอาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ต้องมาแบกให้เหนื่อยให้ยากไปเปล่าจะถ่วงการเดินทางของเราให้เนิ่นนานให้ลาช้าและอาจจะทำให้ไปไม่ถึงจุดน้อยปลายทางได้เช่นถ้าเราต้องเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพด้วยเท้าเปล่า เราจะเอาอะไรไปบ้างเราก็จะเอาแต่ของจําเป็นถ้ามีบัตรเครดิตเอาใบเอาบัตรเครดิตไปใบเดียวก็พอไม่ต้องขนข้าวของไปพะลุงพลังไปถึงที่ตรงไหนก็ต้องการอะไรก็ใช้บัตรเครดิตจ่ายไปได้ต้องการอาหารก็จ่ายบัตรใช้บัตรจ่ายต้องการที่พักต้องการอะไรเอาของที่จําเป็นของที่ไม่จําเป็นก็ ไม่แบกไปให้เหนื่อยไปเปล่าๆดัง น, นั้นผู้ที่ต้องการเจริญมรรคถ้ายังมีสมบัติเข้าของเงินทองพอลุงพลังอยู่ก็จาเป็นที่จะต้องบริจาคเข้าของเงินทองไปถ้ามีใจปรารถนาในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีความปรารถนาในมรรคผลผนิพพาน ก็จะต้องไม่ยึดไม่ติดไม่หวงกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาน่เองแต่กับจะเป็นอุปสรรคเป็นเหมือนกับสมอเรือเวลาที่จะออกเดินทางเรือจำเป็นจะต้องถอนสมอ ถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือก็จะวิ่งไปได้ยากหรือวิ่งไปไม่ได้เลยฉันใดผู้ที่ยังมีภาระพลุงพลังอยู่กับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะออกบาเพ็ญออกเจริญมรรคได้เต็มที่นั่นเองดังนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชผู้ที่ยังมี ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็จําเป็นที่จะต้องจัดการกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไม่ให้มาเป็นอุปสรรคไม่ให้มาเป็นตัวถ่วงของการเจริญมรรคถ้าได้จัดการเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเหมือนกับนักบวชคือไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้ามีก็มีไว้สำหรับใช้ในการาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่เท่านั้นเองแต่ถ้าได้บวชแบบพระในพพุทธศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีข้าวของเงินทองเลยเพราะว่าเวลาบวชก็จะได้รับสมบัติ8ชิ้นมาเป็น เป็นสมบัติประจำตัวที่เรียกว่าอัฐะบริการก็จะพอเพียงอยู่กับการดำรงชีพของนักบวชเป็นปัจจัยสี่ของนักบวชผ้าไตราจีวรสามผืนก็เป็นเครื่องนุ่งห่มบาตรก็เป็นเครื่องหาอาหารจากการบินทบายส่วนยารักษาโรคก็ ใช้ไปตามอัตภาพตามมีตามเกิดที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันหาอยู่ตามมีตามเกิดเพราะผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องแสวงหาที่ปฏิบัติในที่ห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากบ้านเรือนต้องแสวงหาสถานที่สงบสงัดในป่าในเขาซึ่ง ก็ต้องอาศัยโคนไม้บ้างอาศัยเงื่อนผาบ้างอาศัยถ้าบ้างหรืออาศัยเรือนร้างหรืออาศัยการสร้างเรือนเล็กๆกระสอบเล็กๆ เ, เ, เช่นเพลิงไว้ป้องกันแดดป้องกันฝนสร้างแครขึ้นมาทําแกรขึ้นมาอันเล็กๆพอที่จะใช้ในการ พักผ่อนหลับนอนหลบแดดหลบฝนใช้ในการบําเพ็ญกิจตภาวนาอันนี้ก็พอเพียงต่อการดำรงชีพของนักบวชถ้าได้ออกบวชแล้วก็จะได้มาทุ่มเทให้กับการเจริญมรรคแปดมรรคแปด มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอันนี้เป็นส่วนประกอบของปัญญาสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวอันนี้เป็นส่วนประกอบของศีลแล้วก็สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นส่วนประกอบของสมาธิ หรือส ม, มถภาวนารวมกันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาหรือศีลส ม, มถภาวนาวิปัสนาภาวนานี่คือมรรคที่จะเป็นเครื่องมือในการใช้ในการศึกษากําหนดรู้ทุกจะเป็นการใช้เป็นเครื่องมือใช้ในการละสมุ ท, ทยัย คือต้นเหตุของความทุกข์จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทำให้นิโรธความดับทุกขปรากฏแจ้งขึ้นมาอยู่ที่การเจริญมากนี้เองถ้าเป็นคารวะก็ต้องทานศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ทานก็หมดภาระไปหมดหน้าที่ไป เหลือแต่ศีลกับสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา <c oughs> ถ้าเรารักษาศีลเราก็จะมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตวเวณีสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปลดมดเท็ดการไม่พูดเพ้อเจ้อ การไม่พูดคำยาการไม่พูดคำสอเสียดอันนี้เกก็จะเป็นสัมมาวาจาเราก็จะเราก็ถือว่ามีศีลเป็นหนึ่งในหนึ่งส่วนของของมรกที่มีอยู่สามส่วน <c oughs> คือศีลสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา มีสีแล้วเราก็มาเจริญสมถกภาวนาเจริญสติเจริญสัมมาวายาโมสัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบความขยันหมั่นเพียรความเพียรชอบชอบความเพียรที่ถูกต้องก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติตั้งแต่เตืนจนหลับในสถานที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยรบกวนการเจริญสตินั่นเองนี่คือสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรอะไรเพียรเจริญสติเพื่อให้เป็นสัมมาสติสติสัมมาสติก็คือการรู้รู้อยู่ในปัจจุบันสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าร่างกายจะทําอะไร ก็ให้เฝ้าดูอยู่กับการกระทําของร่างกายหรือถ้าจิตใจจะดูจิตใจก็ดูให้จิตสักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งก็จะทําให้ไปเจริญสมุทัยได้เวลาคิดปรุงแต่งก็มักจะคิดไปในทางสมุทยัยเพราะว่าจิตยังอยู่ภายใต้อํานาจของอวิชชาปัจจยาสังขาราอยู่ พอปล่อยให้คิดปั๊บก็จะคิดไปในทางอาวิชชาตันหาทันทีเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะว่าเป็นเราเป็นของเราพออะไรเป็นเราเป็นของเราก็อยากจะให้ดีอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะดีไปตลอดไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเอง พอเวลาเขาไม่ได้เป็นตามที่ความอยากเป็นก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานันสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุจึงจำเป็นต้องเจริญสติคอยควบคุมบั ง, บงคับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในทางอาวิชชาปัจจยยาสังขาราให้คิดปรุงแต่งไปในทางธรรมาปัจจยยาสังขาราก็คือให้ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือให้พิจารณาธรรมะพิจารณาทุกศึกษาทุกกำหนดทุกอะไรคือความทุกทุกก็คือการเกิดเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามามีมการพัดพาคจากของรักของเจริญใจตามามา นี่คือการศึกษาความทุกข์เพื่อที่จะได้ถอยออกจากกองทุกข์นั่นเองกองทุกข์ก็คือกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการพัดพลากจากของรักของเจริญใจของการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานี่คือต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่านี่คือความทุกข์ อย่าไปอยากเกิดอะไรที่ทำให้เกิดก็คือความอยากต่างๆนี่เองความอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่น ون, อยากได้นี่อยากไม่ได้ น, นั่นอยากไม่ได้นี่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามัตตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพอมีความอยากก็จะทำให้ไปมีการเกิดต่อมา ร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วเมื่อยังมีความอยากอยู่ยังมีการมัรหาภาวะสันหาวิภวะสันหาอยู่สันหาทั้งสามนี้ก็จะฉุดลากใจให้ไปเกิดใหม่ให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไปพัฒนากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆใหม่ถ้าใช้มร คือใช้สติใช้ปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ก็จะรู้ว่าการเกิดนี้ไม่ดีพอเกิดแล้วก็จะต้องมาทุกข์ต่อไปนั่นเองถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ า, าบใดยังมีการเกิดอยู่ดราบนั้นก็ยังจะมีความแก่ความเจ็บความตายมีการสูญเสียมีการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพลาดก็เป็นเวลาที่เศร้าโศก เป็นเวลาที่ต้องร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือการใช้ธรรมาปัจจัยสังขาราคือต้องเจริญสติเจริญปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเจริญสติคือไม่ให้ใจคิดถึงคิดไปในทางอาวิชยาอาวิชชาปัจจัาสังขาราก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป รือให้สวนมนต์บทใดบทหนึ่งไปจะสั้นหรือจะยาวก็ได้เวลาสวนไปหรือเวลาบริกรรมพุทโธไปสังขารก็จะไม่สามารถปรุงแต่งไปในทางอาวิชชาอาวิชชาปัจจยาสังขาราได้สังขารก็จะไปในทางของธรรมมาปัจจยาสังขาราถ้าไปในทางธรรมมาปัจจยาสังขาราก็จะสงบ ถ้าสงบด้วยสติอย่างเดียวก็จะเป็นการสงบชั่วคราวถ้าสงบด้วยปัญญาก็จะเป็นสงบอย่างถาวรเพราะการสงบด้วยปัญญาก็คือการละตันหาละสมุทัยตัดตัญหาออกไปได้ด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าเป็นว่าตันตัหาความอยากนี่เป็นทุกข์ สิ่งที่อยากก็เป็นทุกข์สิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเพราะไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งเขาได้เพราะเขาเป็นอนัตตานี่ถ้าคิดไปในทางปัญญาก็จะถอดถอนความอยากได้อย่างถาวรแต่ถ้าคิดด้วยสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะหยุดความอยากไว้ชั่วคราว เพราะตอนที่มีพุทโธอยู่ในใจนี้จะไม่สามารถคิดไปในทางกา ร, รมาระตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาได้นั่นเองก็จะทำให้ใจสงบแต่เวลาพอไม่ได้บริกรรมหรือเวลาเวลาหยุดบริกรรมแล้วเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาใหม่แล้วปล่อยให้คิดไป ความคิดกรุงแต่งก็จะไปทางอาวิชชาปัจจยาสังขาราเหมือนเดิมเพราะว่ายัางไม่ได้มีธรรมาเป็นปัจจยาสังขารานั่นเองเพราะยังไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ศึกษาความทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยคือตัณหาทั้งสาถ้าพิจารณาด้วยปัญญา เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากตัณหาก็จะสามารถละตัณหาได้เมื่อละตัณหาได้แล้วความทุกข์ก็หายไปนิโรดความดับทุกข์ก็ปรากฏแจ้งขึ้นมาความดับทุกข์ก็คือความสงบนีเ่เวลาไม่มีความทุกข์ใจก็จะสงบอันนี้ก็จะเป็นการสงบ ทาวอเป็นขั้นขั้นไปเพราะว่ามีอยู่สี่ขั้นด้วยกันการดับความทุกข์ในขั้นของมรรคผลนิพพานการของพระโสดาบันขั้นของพระสกิฎาคามีขั้นของพระ อ, อ, อนาคารามีและขั้นของพระอารหันต์ที่จาเป็นที่จะต้องใช้มรรคคือธรรมปัจยาสังขาราพิจารณาให้เห็นทุกข์ ในในในในอริยสัจข้อที่หนึ่งหเห็นการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายหเห็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อันนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญากำหนดทุกศึกษาทุกว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาก็จะละตันหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็จะทำให้เกิดนิโรธขั้นที่หนึ่งขึ้นมาขั้นของพระสวัดิบา ความดับทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขารที่สองก็ทำให้การความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในรูปในกามอารมณ์ถ้ากำหนดศึกษาดูร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะก็จะทำให้การอารมณ์นี้ ก่อนกลังลงไปได้ถ้าทําให้การอารมณ์เบาบางลงไปทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากการอารมณ์นี้เบาบางลงไปก็จะได้ขั้นที่สองที่เรียกว่าขั้นพระสกิดาคามีแล้วถ้าสามารถทําให้การอารมณ์นี้หมดไปได้ความอยากในการความอยากจะเสพการ ด้วยการพิจารณาอาสุภะอย่างต่อเนื่องจนไม่มีช่องว่างที่จะทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ก็จะบรรลุเป็นขั้นที่สามคือใจก็จะดับจากความทุกข์ที่เกิดจากการมาตัญหาการมาราคะความอยากในการอารมณ์นี้เอง แล้วถ้าพิจารณาขั้นต่อไปได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากอาวิชชาปัจจยาสังขาราคืออวิชชาผู้ที่สนับสนุนให้จิตปรุงแต่งไปในทางความหลงในทางเห็นผิดเป็นชอบในเห็นเห็นว่ามีตัวตนอยู่ในจิตเห็นว่ามีความสุขอยู่ภายในจิต เห็นว่าจิตนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตานี้ความจริงเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นส่วนที่มีอยู่ภายในจิตตัญหาคือความอยากให้ส่วนที่เป็นนิจจังสุขังอัตตานี่เป็นนิจจังสุขังอัตตาไปเรื่อย ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ังขึ้นมาภายในจิตถ้าอยากจะดับความทุกข์ังภายในจิตนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็จะเป็นธรรมาปัจจยาสังขาราเมื่อมีธรรมาปัจจะยาสังขาราสมุทัยคือความอยากให้ให้สิ่งที่มีอยู่ภายในจิตนี้ เป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะหายไปเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่ามันมีเจริญมีเสื่อมเช่นความสุขในจิตมีเจริญมีเสื่อมควบคุมบังคับสั่งเขาไม่ได้ถ้าอยากให้เขาไม่เสื่อมก็จะทุกข์ดังนัพอละตัณหาตัวนี้ได้ตัณหาที่อยากจะให้ความสุขภายในจิตนี้ไม่เสื่อม ให้เป็นความสุขที่เท่งแท้แน่นอนถาวรก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยมันพอปล่อยมันความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นนิโรธขั้นที่สี่ขั้นภายในจิตมียูส ปฏิบัตินี้ก็สามขั้นแรกก็อยู่กับร่างกายเกี่ยวกับร่างกายขั้นที่1เกี่ยวกับความไม่อยากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายขั้นที่สที่สองที่สามก็เกี่ยวกับกามารมณ์ส่วนขั้นที่สี่ก็เกี่ยวกับความสุขที่มีอยู่ภายในจิตอัตตาตัวตนที่ยังมีอยู่ภายในจิต อันนี้ก็ใช้ใช้มร ก, ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะโคือปัญญาที่พิจารณากาหนดทุกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ข้างนอกอยู่ที่ร่างกายหรืออยู่ภายในจิตถ้ามีการปรากฏขึ้นมาแล้วจะต้องมีการเสื่อมดับไปเสมอ ทำบันไดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็พิจารณาแนวเดียวกันเหมือนกับพิจารณาร่างกายเหมือนกับพิจารณาอสุภพิจารณาการอารมณ์ทุกอย่างมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นทุกข์ถ้ามีอะไรก็มีอะไรดับแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดก็จะก็จะทุกข์ ถ้าถ้าไม่ไปยึดไม่ไปติดปล่อยวางจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปจะดับก็ปล่อยเขาดับไปก็จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญภารกิจในอริยสัจสี่ที่มีอยู่4ประการ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ า, าทุกที่ต้องกําหนดรู้ตถาคตได้กําหนดรู้ได้ศึกษาแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนมาก่อนสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์ที่ต้องละตถาคตก็ละได้แล้วโดยที่ไม่มีใครสอนมาก่อนนิโรธคือการทำให้ความดับทุกข์ปรากฏแจ้งขึ้นมา ตถาคตก็ได้ทําให้ปรากฏแจ้งขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนมาก่อนมักที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์เพราะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการกําหนดรู้ทุกในการละสมุทยัยในการทํานิโรธให้ปรากฏแจ้งขึ้นมาตถาคตก็ได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยที่ไม่มีใครสอนมาก่อนไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนตถาคตศึกษาด้วยตนเองมาทั้งหมดและปฏิบัติมาด้วยตนเองทรรมที่ตถาคตได้ตัศรุนีจึงเป็นธรรมที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากตถาคตเพียงองค์เดียวเท่านั้นตถาคตจึงเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นทูตสัลูด้วยพระองค์เองโดยชอบด้วยความถูกต้องตามหลักความเป็นจริงสำหรับผู้ที่นำเอาคำสอนของตถาคตของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามก็จะถือว่าเป็นสาวกเป็นพระอาหารหันตสาคกเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานด้วย ด้วยการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นคือจากพระพุทธเจ้ามาก่อนนั่นเองแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครมาสอนมาบอกพระองค์จึงต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนสามารถพบสัจธรรมความจริงอันนี้ได้พบภารกิจทั้งสี่ประการในอริยสัจสี่และสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งสประการนี้ ได้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ยึงทำให้พระไทยหรือจิตของพระตะถาคตสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากทันหาความอยากต่างๆปราศจากโมหะอวิชชาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ุดผ่องเป็นจิตที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อย่างแท้จริงอย่างสิ้นเชิงนี่คือภารกิจหรือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนาการที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมมาทาทานมารักษาศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่บเจ็ดมาบาเพ็ญสมถภาวนา ด้วยการปีกวิเวกด้วยการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้พอออกจากสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาต่อไปพิจารณากำหนดทุกกำหนดให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยง มีเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะไปบังคับหรือไปป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้เพราะเขาเป็นอนัตตาถ้าไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอยากจะให้เขาไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าพิจารณาแล้วก็จะละความอยากได้ เพราะเวลาเกิดความอยากนี่จะเกิดความเศรา้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจไม่สบายใจขึ้นมานั่นเองก็จะสามารถที่จะละต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาทั้ง3ได้การมาตัณหาความอยากในกรรมภาะวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากใจได้เมื่อได้ทํากิจนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกิจของพระพุทธศาสนาสําหรับตนเองก็หมดไปกิจของในกิจในพรหมจรรย์ น, นี้ได้หมดไปไม่มีภารกิจที่จะต้องทําอีกต่ อ, อไปนอกจากภารกิจในการเผยแพรแ่สั่งสอน ที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้นกับใครไม่มีคลนเสียหายเกิดขึ้นกับตนเองผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วแต่จะเป็นประโยชน์โดยถ่ายเดียวถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ทำเช่นมีบางท่านที่ได้ตัดสู้แล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ก็ไม่ได้ทาการเผยแพ่สั่งสอนความจริงนี้ให้แก่ผู้อื่นก็จะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าไปคือเป็นผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ตัดสั้รู้ได้เสร็จภารกิจในอริยาาสัจสี่แล้วก็ไม่ได้ขวนขวายในการที่จะเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ก็จะไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้แก่จักรโลกทั้งหลายเป็นเพียงที่พึ่งของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวผู้ที่ได้สามารถปฏิบัติขัดเกลความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความขวนขวายมี บุมีบารมีในการเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็จะขวนขวายในการเผยแผ่ก็จะทําให้มีเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ดังนั้นภารกิจเรื่องของการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นนี้จึงไม่ใช่เป็นภารกิจจําเป็นของผู้ปฏิบัติแต่ละแต่ละท่านปฏิ ภารกิจที่สําคัญของผู้ปฏิบัติก็คือการทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทําให้ใจได้บรรลุถึงมรรคผลมิพานยุติการเวียนว่ายตายเกิดส่วนที่จะเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทั้งผู้สั่งสอนเองและผู้ที่รับการสั่งสอนถ้าผู้ที่สั่งสอน มีความยินดีที่จะสั่งสอนแต่ผู้ที่ศึกษาไม่มีความยินดีที่จะศึกษาการสั่งสอนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องเป็นทั้งสองฝ่ายคือผู้สั่งสอนก็ยินดีผู้รับการสั่งสอนก็ยินดีที่จะศึกษารับการสั่งสอนถ้าถ้ายินดีผู้ที่สั่งสอนก็จะมี กำลังใจที่จะสั่งสอนเพราะเห็นว่าสั่งสอนแล้วได้ได้ผลได้ประโยชน์นั่นเองถ้าผู้ที่ไม่ยินดีไม่สนใจสั่งสอนไปก็เหมือนกับเทน้าใส่หลังสุนัขดีๆนี่เทไปก็จะเสียน้ำไปเปล่าๆเพราะสุนัขไม่ยินดีที่จะรับน้ำดังนั้นการเผยแผ่ธรรมะ จึงขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักคือผู้เผยแผ่และผู้รับการเผยแผ่ถ้าผู้เผยแผ่มีปัญญามีบุญวาสนาบารมีในการที่จะนำเอาธรรมะออกมาชี้แจงออกมาสั่งสอนให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าอกเข้าใจเห็นตามได้ผู้นั้นก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ ผู้ที่สนใจศึกษาถ้าผู้ที่ศึกษาไม่มีความสนใจความรู้ของผู้ที่จะให้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ใจของของผู้ศึกษาได้จะจะเผยแผ่สั่งสอนไปก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่ในเบื้องต้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัศโลฯแล้วก็ส่งปรากฏมีความท้อพระทัยที่จะเผยแผ่สั่งสอนพรธธรรมคําำคำสอนให้แก่ผู้อื่นเพราะทรงเห็นว่าเป็นคําสอนที่ยากต่อการที่จะเข้าถึงได้ยากต่อการที่จะปฏิบัติก็จะต้องสละ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่คิดว่าเป็นสุขที่คิดว่าเป็นประโยชน์ไปให้หมดก็คือราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปซึ่งไม่มีใครคิดที่อยากจะสละสิ่งเหล่านี้นไปกันยกเว้นบุคคลบางจำพวกที่มีปัญญามองเห็น ความทุกในราบยศสละเสริญสุขเช่นบรรดานักบวชทั้งหลายผู้ที่ได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วออกบาเพ็ญปฏิบัติภารกิจทางจิตใจบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ในเบื้องต้นพระองค์ไม่ได้ใช้เวลาแยกแยะ ก็เลยทำให้คิดว่าทุกคนนี้เป็นเหมือนกันหมดเกยยังหลงติดอยู่กับลาบยศเสรเสริญยังติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าไปสั่งสอนให้เขาให้กับบุคคลเหล่านี้ก็เหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขดีๆนี่เองก็จะเป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงไม่มีความที่อยากจะขนขวาย แต่ก็มีเท้าหมาพรมเท้าหมหาพรมนี้ก็อาจจะมาได้ในสองรูปแบบคือเท้าหมาพรมลงมาจากสวรรค์จริงๆหรือคุณธรรมสี่ประการของเท้าหมาพรมคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ได้ออกมาดึงให้พระพุทธเจ้าได้เกิด ความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกจึงทาให้พระองค์ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะก็ทรงสามารถแยกแยะบุคคลที่จะรับการสั่งสอนได้เป็นสี่จาพวกด้วยกันเปรียบเหมือนกับบัวสี่เหล่าพวกที่พร้อมที่จะรับคำสอนได้อย่างทันทีทันใดเลยพร้อมที่จะได้รับประโยชน์ จากคำสอนก็มีพว ก, พวกที่หนึ่งพวกนี้ก็เปลี่ยบเหมือนกับบัวที่เหนือน้ำแล้วเพียงแต่รอให้แสงตะวันโผล่ขึ้นมาก็จะทําให้บัวเหล่านั้นบานขึ้นมาได้ก็เปลี่ยนเหมือนกับบรรดานักบวชทั้งหลายที่ได้ออกบําเพ็ญสมถะภาวนามีสมาธิมีศีลแต่ขาดปัญญา คือความรู้ที่จะทําให้ดับความทุกข์ดับตัณหาความอยากต่างๆได้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์เดียวที่ท่งรู้ความรู้อันนี้ถ้าส่งนําเอาความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลเหล่านั้นเขาก็จะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเลย อันนี้เป็นพวกบัวเหล่าทิ่นคือพวกนักบวชบวชแล้วมีศีลแล้วมีสมาธิแล้ ว, วพวกที่สองก็เป็นพวกบัวที่ปิ่มน้าคือยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำถึงแม้จะได้สัมผัสกับแสงตะวันก็ยังไม่สามารถบานออกมาได้ต้องรอให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเต็มที่ก่อน เราถึงจะบานต่อไปในวันต่อไปพวกนี้ก็เป็นพวกนักบวชที่ได้บวชมีศีลบริสุทธิ์แต่ยังจเจริญสมาธิอยู่ยังจเจริญสติบริกรรมควบคุมจิตใจให้สงบแต่ยังไม่สามารถทําจิตให้สงบเป็นสมาธิได้อย่างทาวร อ, อย่างต่อเนื่องตรงนี้ถึงแม้จะได้ยินได้ฟังธรรมก็ยังจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ จำเป็นจะต้องบำเพ็ญสมถะภาวนาให้สมบูรณ์ก่อนถ้ามีสมถะภาวนามีความสงบแล้วพอเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาในในวันก่อนๆมาพิจารณาใหม่ก็ยังสามารถที่จะบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้นี่ตรงนี้ก็เป็นบักปุ่มน้ำพวกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็เป็นพวกที่ ยังไม่ได้ออกบวชคือพวกคารวาดญาติโยมแต่ที่มีจิตศรัทธาในการทาบุญทำทานในการรักษาศีลเช่นทาบุญรักษาศีลในวันพระอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็จะต้องใช้เวลาบาเพ็ญต่อไปอพอสมควรกว่าที่จะได้ออกบวชกว่าที่จะได้บาเพ็ญสมถะภาวนา ได้ถึงจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือถึงจะเข้าถึงกิจในอริยสัจสีได้พวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามเป็นบัวที่อยู่กลางน้ำต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแต่ถ้ามีความขวนขวายมีความตั้งใจ ทำบุญทำทานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรักษาศินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากอาทิตย์ละวันเป็นสงวันสามวันจากศินห้าเป็นศินแปดทำทานเพิ่มไปเรื่อยๆจากร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบของทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองที่มีอยู่ทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะออกหมวดได้ออกบาเพ็ญสมถะภาวนาได้ ออกบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาได้ด้วยการน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามา เ, เาเป็นผู้นำก็จะสามารถบรรลุได้ตามลำดับต่อไป <c oughs> นี่คือบุคคลสามกลุ่มหรือบัวสมเหล่าที่พระองค์ทรงเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะสั่งสอนได้ส่วนบัวเหล่าที่4นี่เป็นบัวที่อยู่กับโคลนกับตน ที่ยังไม่ได้เจริญโตโ ต, ตขึ้นมาก็จะเป็นกิจกายเป็นอาหารของปูของปลาไปจะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาได้ตรกนี้ก็เป็นพวกบุคคลที่ไม่สนใจไม่สนใจที่จะศึกษาเข้าหาคําสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของ ศาสนาต่างๆที่สอนให้ทาบุญทาทานให้รักษาศีลให้ละเว้นจากอบายามุขต่าง ๆ, ๆบุคคลเหล่านี้จะชอบเศษจุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดข้านชอบทำบาปชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพุติผิดประเวณีพูดปดโมดเท็เสพสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ พวกคนเหล่านี้สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเขาจะไม่ยอมละการกระทำที่เขาชอบทำอยู่นั่นเองเขาจะไม่ละการทำบาปเขาจะไม่เลิกเสพอบายมุขเขาจะไม่หันมาทำทานมารักษาศีลมาเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเขากลับจะโผล่ละ 6 ข, ขันไปถ้าเห็นตัวของเขามาทำภารกิจเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้กับเขาได้เพราะมืดบอดจนแสงสว่างแห่งธรรมนี้ไม่สามารถทะลุความมืดบอดเข้าไปสู่ใจของเขาได้นั่นเองนี่คือบุคคล4ประเภทหรือบัว4เหล่า ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาจึงทําให้พระองค์ทรงมีความขวนขวายมีความพอพระทัยที่จะเผยแผ่สั่งสอนทำอันประเสริฐนี้ให้แก่สัตว์โลกจึงส่งมุ่งไปสู่บุคคลกลุ่มล่า ก, ก่อนไปสู่บัวกลุ่มลา่าบัวที่เหนือน้ําแล้วพวกนี้จะสามารถรับธรรมะและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว ก็สรงนึกถึงพระอาจารย์สองรูปที่เคยได้บาเพ็ญได้ศึกษาแต่ก็ทราบว่าได้ตายไปแล้วก็ทรงรู้สึกเสียเสียดายเพราะว่าถ้าไม่ตายก็จะได้มีโอกาสได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่ตายไปแล้วถึงแม้ว่าจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแต่ก็ยังจะต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิด อยู่ในสวรรค์ชั้นเทพและลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตามลำดับต่อไปก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้ายัางไม่ตายได้รับคำคำสอนที่พระเจ้าจะทรงสอนก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่สามารถเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่กับผ้อาจารย์ที่เคยได้ศึกษาอยู่สองรูปมา ก็เลยนึกถึงพระปัญญวัคคีทั้งห้าที่เคยติดติดสอยห้อยตามคอยอุปธรรมอุปถาในสมัยที่ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ได้แยกทางกันออกไปเนื่องจากพระองค์ยุติการปฏิบัติแบบสุดตรงคือไม่เสวยพระกายอาหารถึง49วันแล้วกลับมาเสวยพระกายอาหาร บันดาพระปัญจ ว, ะวะคีก็เลยคิดว่าพระองค์เป็นผู้แพ้เสียแล้วจะติดตามกับผู้แพ้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงได้แยกทางกันไปเสื่อมศรัทธาหมดศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าในตัวของสัมมาณโกธมะแต่หลังจากที่พระพเจ้าได้ทรงตัดสู่แล้วก็ลำลึกถึงบุคคลทั้งห้านี้จึงทรงมุ่งไปโปรดบุคคลทั้งห้าในวันเพ็ญเดือนแป สองเดือนหลังจากที่ได้ตัดสซลในวันเพนเดือนหกแล้วพอได้พบก็ได้แสดงพระธรรมจักกับประวัตนสูตรเป็นพระปฐมเทศนาทรงแสดงกิจในอริยสัจสี่ทรงแสดงมรรคแปดก็ทำให้หนึ่งในพระบัญจวาขีปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้บรรลุ มักผลนิพานขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดามันแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทรงแสดงพระอนัตตลักษณะสตรก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาทั้งห้ารูปพร้อมๆกันนี่คือผลที่เกิดจากการนำเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่บุคคลที่มีอินทรีย์แก่กล้า พร้อมที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้เลยในขณะที่ฟังนี้จิตใจนี่หมุนติ้วไปกับธรรมที่เข้ามาสัมผัสฟังดูก็เหมือนกับว่าะจะบรรลุได้ไงเพราะว่าไม่ได้เดินจงกลมไม่ได้นั่งสมาธิแต่ความจริงจิตนั้นกำลังจะลอนวิปัสสนาอยู่คัดพร้อมๆไปกับการที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถ หยุดตันหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้ทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาได้อย่างชัดเจนจยงไม่สงสัยหลังจากนั้นก็เผยแผ่แตระบุคคลที่อ่อนอิสระตามลำดับลงมาจนถึงระดับขั้นคารวาดญาติโยม แล้วก็มีปรากฏมีผู้นำเอาไปปฏิบัติและบรรลุมรรคผลที่ผ่านกันตามลำดับมาช้าบ้างเร็วบ้างตามกําลังของเป็นสีของแต่ละบุคคลที่ได้บำเพ็ญมานี่คือหน้าที่รองหรือหน้าที่เสริมที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือการเผยแผ่ สั่งสอนผู้อื่นแต่หน้าที่หลักที่ต้องทำก็คือสั่งสอนตนเองสั่งสอนให้ตนเองได้บรรลุมรรคผลผิพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นภารกิจที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตาหิอาตโนนาโถแต่ต้องอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสาระ ถ้าไม่มีคำสอนก็จะไม่รู้จักทางที่จะพาให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็จำเป็นจะต้องศึกษาคพือปริยัติเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแต่การศึกษาและปฏิบัตินี้ไม่ได้แยกกันเหมือนกับที่ทำกันในปัจจุบันนี้การศึกษาปริยัติกับปฏิบัตินี้จะไปควบคู่กันไปเช่นไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็อบรมสั่งสอน ตาม อ, าอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เรียกว่าปริยัติแล้วแล้วท่านสั่งสอนปั๊บก็เอาไปปฏิบัติเลยท่านสอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิให้พิจารณาอสุภะให้พิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตถาก็นำไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเลยไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่ต้องเรียนให้จบพระไตรปิฎกก่อนได้ไประเรียน9ก้าก่อนแล้วค่อยออกปฏิบัติ อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของปริยัตปฏิบัตเป็นเรื่องของของกิเลสกิเลสที่พยายามที่จะแยกปริยัติออกจากปฏิบัตเพราะถ้าแยากปริยัติออกจากปฏิบัตได้แล้วก็จะรู้ว่าจะไม่สามารถเข้าสู่ปฏิบัตไดเพราะเมื่อเรียนรู้มากๆก็เกิดทิฐิความความหลงขึ้นมาคิดว่าตนเองรู้แล้วบรรลุแล้ว ก็ไม่ต้องไปปฏิบัติให้มันเสียเวลาดังนั้นในสมัยนี้ถ้าเป็นปริยัติก็จะปริยัติล้วนๆจะไม่มีออกปฏิบัติถ้าอยากจะให้เป็นปริยัติกับปฏิบัติก็ต้องถือตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งบาเพ็ญมาในอดีตที่พระครูบาอาจารย์สายวัดป่าปฏิบัติตามกันมาอันนี้แหละเรียกว่าปริยัติปฏิบัติไปพร้อมๆกัน ปฏิเวศมันจึงปรากฏกันขึ้นมามันเป็นลูกโซ่มันไปด้วยกันไม่ไม่ได้แยกกันเหมือนปริยัตเรียนไปสิบสองปีจบปริญญาจบดีไม่ดีจบปริญญาเก้ายังไม่พอต้องไปทําเปริญญาตีถอตีโทเอกต่อยทําไปแล้วได้ก็ได้กระดาษมาแล้วออกปฏิบัติได้ไหมออกปฏิบัติไม่ได้เพราะติดลาบสั ก, การะเสียแล้ว เมื่อเรียนจบสูงๆก็มีการให้ถวายลาบสักการะถวายสมมณสักก็เลยติดกับความติดกับลาบยศไปเสียแล้วแทนที่บวชมาเพื่อตัดลาบยศกลับมาติดราบยศเมื่อติดราบยศแล้วก็ออกปฏิบัติไม่ได้แล้วจะออกไปอยู่ป่าอยู่เขาก็ต้องละต้องสละลาบยศไปนั่นเอง ดังนั้นการการศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นการเดินทางผิดคือแยกแยกออกจากปฏิบัติแยกออกจากปฏิเวทมันจึงไม่มีปฏิบัติไม่มีปฏิเวทตามมามันไม่มีตัวเชื่อมตัวที่จะเชื่อมมันต้องต้องไปพร้อมๆกันปริญญาพร้อมๆ ก, กับปฏิบัติปฏิเวทมันก็จะปรากฏขึ้นมาเนี่ยดูสายวัดป่าเนี่ยมีปฏิเวทกันเยอะ มีคูบาจารย์ที่มาหน้าภาพไปแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุกันเป็นจํานวนมากแต่คูบาจารย์ทางสายปรยิยตินี้ตายไปไม่รู้กี่รูปก็ไม่ปรากฏมีพระธาตุปรากฏขึ้นมาแม้แต่รูปเดียวที่เพราะว่าดําเนินผิดทางไม่ได้ดําเนินตามแนวทางที่พระเจ้าและพระอารานตระสาวกทั้งหลายได้พาบําเพ็ญมานั่นเอง มาแยกกันออกกันเป็นส่วนๆไปเลยเหมือนแยกร้อออกจากตัวรถยนต์อย่างนี้แล้วรถมันจะวิ่งไปได้ยังไง ร, รถยนต์มันต้องมีครบทั้งล้อมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งเครื่องยนต์ไม่ใช่มาแยกเป็นส่วนๆไปมรรคผลนิพพานก็คือมรรคที่จะพาให้ไปสู่ผลไปสู่มรรนิพพานก็เป็นมรรคแปะมันต้องเป็นทั้งปริยัตเป็นทั้งปฏิบัต มันถึงจะปรากฏเป็นปฏิเวชขึ้นมาได้ดังนั้นผู้ที่มาศึกษานี่ก็ขอให้เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่าไปหลงเพราะบางครั้งบางท่านก็ถูกคนอื่นมาชวนว่าไปศึกษาพระ อ, อภิธรรมกันก่อนเถิดไปศึกษาพระไตรปิฎกกันก่อนเถิดแล้วค่อยมาปฏิบัติทีหลัง พอไปไปศึกษาแล้วมันจะติดแล้วมันจะไม่อยากจะออกปฏิบัติเพราะว่าการออกปฏิบัติมันยากแล้วก็อาจจะถูกกิเลสหลอกว่าไม่ต้องปฏิบัติเพราะว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วมัน ร, รู้จากจินตนาการของตนเองไม่ได้บรรลุจากการดับของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจนั่นก็ขอฝาก เรื่องของการมาปฏิบัติกิจของพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติภารกิจในอริยศาสตร์สคือทุกข์ที่ต้องกําหนดรู้ต้องศึกษาสมุทัยที่ต้องละนิโรธคือความดับทุกข์ดับทุกข์ที่ต้องทําให้แจ้งและมักเครื่องมือที่จะใช้ในการกําหนดรู้ทุกในการละสมุทยัยในการทํา ความดับทุกข์คือ น, นิโรธให้แจ้งนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาปฏิบัติเพื่อปฏิเวทคือการบรรลุมรรคผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะวิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ กรโสยะาสพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตารายสุขีทีคายุโกภวะอภิวัฒนสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธมาวัทัานติอายุวันโอสุขังภลาง ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่ทราบว่ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่อยากจะให้อธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ก็ถามมาได้เพราะเวลาบางทีพูดไปก็เดี๋ยวนี้ความจํามักจะไม่ดีเริ่มต้นแล้วพอมาถึงปลายจำไม่ได้ว่าตอนต้นพูดพูดเกี่ยวกับอะไรความจํามันรู้สึกมันจะสั้นลงสั้นลง เริ่มต้นที่หมาเรามาจบที่แมวที่่ตอนที่อาจารย์พูดว่าเะคแสดงธรรมนะคะแล้วก็ที่จะอจารยะวีที่บริหารตอนนั้นผูคนที่ฟังธรรมอยู่ไม่ต้องเดินจกรมนั่งสมาี่แต่ว่าเหมือนจิตที่รับรู้นันเ็นหมือนาก็เจตพิจารณาตามธรรมที่ได้ยิน แล้วก็ดูธรรมที่มีอยู่ในใจของตนดูดูทุกข์ที่มีอยู่ในใจดูสมุทัยที่มีอยู่ในใจดูมรรคที่เข้ามาสลายสมุทยัยละสมุทยัยดูนิโรธที่ปรากฏแจ้งขึ้นมาภายในจิตเลยหจากอรื้อทำถึงทไปเร้อพอจิตนั้นอยู่ข้างในแล้วจิตที่มีสมาธิแล้วนี่จะอยู่ห้างใน อริยสัจสีนี้ก็มีอยู่ข้างในแต่ไม่มีใครชี้ให้มองอริยาาสัจสี่ที่มีอยู่ข้างในพอพระเจ้าชี้ให้มองให้เห็นการทํางานของอริยาาสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจก็สามารถจัดการกับสมุทัยที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายให้กับใจได้เหมือนกับเราอยู่ในบ้านแล้วเราเจอหมาที่มันมาคอยขี่มาเยี่ยวอย่างนี้ เรารู้ว่าไอตัวนี้ที่มันทําให้บ้านเราโศกปอกฮะเราก็จับมันอมัดมันไว้เรือผูกมันไว้แล้วก็ตีมันสอนมันเวลามันจะขี้จะเยี่ยวก็ให้มันออกไปข้างนอกต่อไปมันก็จะไม่ขี้ไม่เยี่ยวในบ้านเมื่อก่อนเราไม่รู้บ้านเราทําไมเหม็นมีมีขี้มีเยี่ยวอยู่ตลอดเวลาพอดีมาเห็นหมามันขี้มันเยี่ยวต่อหน้าชัดชัดยังเห็น อันนี้เหมือนก่อนเมื่อก่อนเราไม่รู้ทำไมเราไม่สบายใจทำไมเราทุกข์ใจเวลาหมอบอกเป็นไข้เป็นมะเร็งทําทำไมเราต้องทุกข์ใจด้วยเวลาเราเห็นคนตายไปงานศพคนตายทำไมเราถึงไม่สบายใจกันเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเราภาวนาสามัคคททำใจให้สงบได้ใจมันจะไม่ออกข้างนอกมันจะอยู่ข้างในเป็นส่วนใหญ่ แล้วเวลามีปัญหาเกิดขึ้นไปในใจถ้าไม่มีใครบอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมีคนมาบอกว่าเนี่ยความไม่สบายใจของคุณอยู่ที่ความอยากของคุณเองคุณอยากไม่แก่ใช่ไหมอยากไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมพอคุณเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคุณก็ไม่สบายใจนั่นคุณอยู่ใต้ความอยากนี่สิอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็คุณใบห้ามันไม่ได้ มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเข้ามามองที่ใจเอยจริงนะนี่เราไปอยากมันเองเราหยุดอยากซิมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันเจ็บไปตายไปสิมันไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างนี้มันก็หยุดได้หยุดแล้วมันก็ไม่ทุกข์ต่อไปมันเห็นความแก่ความเจ็บความตายของใครก็ตามของร่างกายของตนเองก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ต้องการจะทุกข์ S <S ความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายาที่เป็นพิษเป็นภยัยที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจเราก็ต้องดับไอตัวความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในี้ให้ได้เราต้องเข้าไปข้างในใจให้ได้ตอนนี้ใจเราอยู่ข้างนอกอยู่กับรูปเสียงกลิ่นลดอยู่กับร่างกาย ไม่ได้อยู่ที่ใจมันก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นใจเวลาร่างกายเป็นอะไรมันก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามันเข้าไปข้างในแทนที่จะอยู่กับร่างกายไปอยู่กับใจนี่มันมันก็รู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเราต้องดึงใจเข้าไปข้างในให้ได้วิธีดึงใจก็เกินจเจริญสตินี่เอง บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปดึงใจเข้าไปให้ได้สวดมนต์ก็ได้ให้ผูกติดอยู่กับการกระทำของร่างกายก็ได้อย่าให้ไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะได้สงบตัวสงบนะมันก็จะอยู่ข้างในมันจะออกมาก็เฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่มันจะตั้งหลักอยู่ข้างในพออยู่ข้างในมันสบายมันเย็นมันสงบ มันมีความสุขแล้วพอมามีคนมาบอกว่าความสุขความสงบความสุขของคนนี้มันของคุณนี่เสียไปเพราะว่าเกิดความอยากความอยากของคุณเองเวลาคุณไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี้ถ้าคุณยังอยากอยากไม่เป็นอยู่ในคนก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคุณเฉยๆมันเป็นก็เป็นแต่ไปห้ามมันไม่ได้คนก็จะไม่ทุกข์กันมา นการจเจริญวิปัสสนาได้นี้จะต้องมีสมถะก่อนจิตต้องเข้าไปถึงฐานเข้าไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุของอริยาศาศาสัจสี่อยู่ข้างในใจไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์ก็อยู่ในใจสมุทัยก็อยู่ในใจนิโรธก็อยู่ในใจมรรคก็อยู่ในใจที่มันถ้าไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีมรรค พอมันมีสมาธิมันก็มีมรรคแล้วมีสติแล้วแล้วพอมีปัญญาคําสอนพุทธเจ้ามันก็ครบองค์เราครบองมันก็มันก็จะเห็นชัดเห็นว่าโอ้ตอนนี้ไม่สบายใจเพราะเราอยากเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทำํำเราก็ทุกข์ใจพอเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ปล่อยเขาไปนั่นเองเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาก็หายทุกข์แล้วร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ใจก็สบายหายทุกอันนี้ที่เรียกว่าดูจิตต้องดูแบบนี้ต้องมีฐานต้องมีสมถะต้องอยู่ข้างในจิตไม่ใช่มองจากข้างนอกจิตเข้ามาอย่างคนที่ไม่มีสมถะเขาบอกเขาดูจิตแต่เขาดูแล้วเขาไม่สามารถจัดการกับสมุทัยได้เวลาเกิดความโกรธก็เพียงได้อย่างมากก็แค่ระงับชั่วคราวพอมีสติความโกรธนั้นก็หายไป พอเพลิสติครับมันก็กลับมาใหม่พอไม่ได้ไปไปทำลายมันเพราะอยู่ข้างนอกตัวปัญหาอยู่ข้างในแต่ผู้ที่จะแก้ปัญหาอยู่ข้างนอกผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องเข้าไปข้างในจิตต้องเข้าไปอยู่ข้างในเข้าไปในสมาธินั่นแหละถึงจะเรียกว่าเข้าไปข้างในวันนี้มีปัญหาอะไรป่ะเรียน<ม>ถามได้ ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b ุ o กพระอาจารย์สุชาติแลพิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณมิกแม็กนะครับญาติผู้ใหญ่มาถ่ายเงินไปกินเหล้าเราไม่ให้ก็ต่อว่าลํำคาญจึงให้เงินไปแบบนี้เราจะบาปหรือไม่ส่งเสริมให้เขากินเหล้ า, าหรื อ, อสิ่งห้าอยู่บาปคงไม่บาปหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนกิน แต่ส่งเสริมนี่อาจจะส่งเสริมเพราะว่าใบเงินของเราเราไม่มีไม่มีความหนักแน่นในความถูกต้องดีงานเราเกง อ, อกเกงใจเขาหรือกลัวเขาด่าลำคาญไม่อยากให้เขาด่าทนไม่ได้ล้วก็เลยให้เงินเขาไปแต่เป็นการส่งเสริมให้เขาไปเดือดร้าต่อถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็จะต้องอด สมมุติถ้าเขาไม่ไปทำอย่างอื่นไม่ไปขอคนอื่นหรือไม่ไปขโมยชวรามาดื่มแ ล, แล้วเขาต้องต้องแก้ไขด้วยการไม่ดื่มต่อไปเขาก็จะเลิกดื่มได้แต่ถ้าทุกครั้งเข้ามาขอเงินแล้วเราก็ให้เขาไปพอเขาเงินหมดเขาก็จะกลับมาขอใหม่เราก็ให้เขาใหม่ ถ้าตามใด้เขายังทำตามความอยากของเขาได้อยู่ความอยากของเขาจะไม่มีวันหมดไปแต่ถ้าเราอยากจะให้ความอยากของเขานี้หมดไปเราก็ต้องอย่าไปส่งเสริมให้เขาทำตามความอยากข้อต่อไปจะคุณโคโค่นะครับหนูเป็นนักศึกษาปีสี่ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในสิ้นเดือนนี้เลยอยากกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ ให้โอวาทําเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษาข้อที่หนึ่งก็อย่าไปมีครอบครัว <c oughs> สองถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปหางานทาไปบวชเลย <c oughs> ถ้าทำสองข้อนี้ได้ก็สบายพ้นทุกข์แน่แน่ ข้อต่อไปจากคุณพานุวัฒนนะครับผมมีความตั้งใจอยากจะบวชปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นมุ่งหวังพระนิพพานแต่บิดาไม่ให้บวชท่านอยากให้เจริญทางโลกมากกว่าจะทำอย่างไรดีครับในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันมีเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวลูกชายก็อยากจะบวชเศรษฐีก็ไม่อยากจะให้ลูกบวชเพราะไม่มีใครจา รับมรดกแต่ลูกชายก็อยากจะบวชอย่างเดียวไม่ฟังพ่อแม่ไม่ให้บวชก็เลยปท้วงด้วยการไม่รับประทานอาหารอดอาหารพออดไปเข้าหลายหลายวันพ่อแม่ก็เดือดร้อนลัวลูกจะตายก็ไปเรียกเพื่อนของลูกๆให้มาช่วยกล่อมให้หน่อยช่วยเกลี้ยกล่อมให้หน่อยเกลี้ยกล่อมอยังไงเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีเขาจะยอมตายถ้าเขาไม่ได้บวช ในที่สุดพ่อแม่ก็เลยต้องยอมให้ลูกบวชไปถ้าเราอยากจะบวชจริงเราต้องทำอย่างนี้เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะให้ลูกตายคำถามข้อต่อไปจากคุณกัญญานะครับการที่เราได้ก้าวข้ามขั้นโสดาบันไม่ต้องตกอบายยาภูมิแล้วนั้น จิตรู้จะมาบอกเราเองเป็นเช่นนั้นถูกต้องหรือไม่ก็อย่างที่แสดงไว้ในเบื้องต้นนี่ว่ามันต้องเห็นอริยสัจสต ร, รต้องต้องบำเพ็ญกิจในอริยสัจสีคือต้องเห็นทุกข์ที่เกิดจากตันหาคือวิภวะตัรหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วก็ต้องมีมรรคที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาก็คือไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าปล่อยยอมให้ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะเห็นการดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาภายในใจอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าบรรลุโสดามันเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามข้อต่อไปจากคุณผ้าเช็ดเท้านะครับระยะนี้ผมภาวนาพอนอนมักจะฝันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนตายความตายโรงศพงานศพต่างๆอย่างต่อเนื่องบางครั้งสามสี่วันติดต่อกันผมสังเกตว่าผมก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องทำนองนี้จนทำให้เก็บมาฝันคำถามสภาวะแบบนี้ สามารถน้อมมาพิจารณาหรือนามาเพื่อใช้เป็นประโยชน์กับการภาวนาได้หรือไม่ถ้าทำได้ควรทำอย่างไรก็ควรนา ม, มาพิจารณาเกี่ยวกับร่างกายของเราเกี่ยวกับร่างกายของคนทุกคนที่เรารู้จักที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วยว่าในที่สุดเขาก็ต้องเข้าไปนอนในโรงในที่สุดเขาก็จะต้องมีงานศพของเขา แต่ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนาโนสติเพื่อให้เห็นไม่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยจิตใจที่เป็นอุเบกขาปล่อยวางร่างกายได้ก็จะดับความทุกข์หนุดพนได้แต่ถ้าเห็นแล้วเกิดความหดหู่เกิดความกลัว เกิดความไม่สบายใจอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่เห็นด้วยธรรมเห็นด้วยกิเลสเพราะมีการขัดแยง้งปรากฏขึ้นมาภายในใจกิเลสไม่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดอาการหดถูด่ก็เป็นผลที่เกิดจากวิภวะตัณหานี่เองคือก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ถ้าพิจารณาแล้วเกิดความหมตูก็แสดงว่ายังไม่มีมัคพอยังไม่มีอุเบกขาพอไม่มีสมาธิพอที่จะรองรับปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนได้ก็ต้องกลับมาบำเพ็ญสมถภาวนาพิจาเพึ่งไปพิจารณาความตายถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปแต่พอถึงขีดที่มัน ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความหดหู่ใจเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตก็ เ, เหมือนกับว่ากินยามากเกินไปแพ้ยาก็ต้องลดปริมาณยาให้หยุดการพิจารณาความตายไปก่อนแล้วกลับมาเจริญอานาปนสติหรือบริกรรมพุทโธหรือแผ่เมตตาไปก่อนแล้วค่อยพอมีใจมีความสงบแล้วค่อยกลับมาพิจารณาความตายใหม่ าการพิจารณาความตายนี้ก็คือการเจริญปัญญานี้เองปัญญาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นถ้ามันโผล่ขึ้นมาเองแล้วเราสามารถพิจารณาได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกหดหูใจหรือทุกข์ใจก็พิจารณาไปเรื่อยอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระอนุลให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลย เพถ้าเราสามารถพิจารณาเห็นความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราจะสามารถตัดตัณหาต่างๆได้ละสัณหาต่างๆได้ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายวันนี้เรายังอยากจะไปหาเงินหาทองหรือเปล่าเรายังอยากจะไปเที่ยวที่นู่น ท, ที่นี่หรือเปล่าเราจะไม่มีความอยากดังนั้นถ้ามีความรู้รู้ว่าเราจะต้องตายนี้มันก็จะเบรกกิเลสตัณหาได้อย่างดีเป้าหมายของการ พิจนาความตายนี้ก็เพื่อเบรกกิเลสตัณหาหรือกาจัดกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจพอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจต่อไปคําถามข้อต่อไปจากคุณสังชัยนะครับ hmm. ขอโอกาสถามเรื่องการดูลมหายใจเวลาดูลลมลมมันจะหยุดทันทีแน่นหน้าอกปวดหัวมากมีพระบอกว่าโยมเพ่ง ให้เลิกเพ่งไม่รู้ทําไงดูทีไรเป็นแบบนี้ตลอดมันเป็นกิเลสบานเวลาไม่ดูมันมันก็หายใจได้เป็นปกติพอดูมันนี่กิเลสมันไม่สามารถที่จะไปดูรูปเสียงกินรส ด, ดูรูปที่มันชอบได้ไปทําสิ่งที่มันชอบได้มันก็เลยสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาเป็นนิวร์เป็นอุปสรรค การบําเพ็ญจิตภาวนาถ้าให้มันเป็นดูทีวีนี่มันดูได้เป็นชั่วโมงมันไม่รู้สึกเลยตัดเลยแต่พอให้มันดูลมหายใจนี่มันไม่มีเรื่องราวต่างๆมาให้มันเพลิดเพลินเหมือนกับเหมือนจับคนไปติดขังไว้ในห้องอย่างเนี้พอไปขังนั่งขังอยู่ในห้องนี่มันรู้สึกทุกข์ทรมานเลยแต่ถ้าขังอยู่ในรถไม่ทรมานนะให้นั่งอยู่ในรถแล้วรถวิ่งไป2ชั่วโมงสามชั่วโมงมันก็นั่งได้ ว่ามันมีอะไรให้ดูเพลิดเพลินไปเรื่อยๆพอให้มาดูลมปับ๊บมันก็เหมือนกับจับเข้าไปขังไว้ในห้องมันก็เลยเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเท่านั้นเองยิ่งถ้าอาการดูลมนี้มันยังทําไม่ได้แล้วก็เราต้องเปลี่ยนวิธีใหม่อย่าเพิอย่าเ พ, พิ่งไปดูลมเพราะว่ากิเลสมันแรงต้านมันอยากจะคิดให้มันคิดไกลกับบทสวดมนต์ก็ได้สวดอิติปิโสไปร้อยจบอย่างนี้ หรือถ้ายังส่วนไม่ได้ก็เปิดธรรมฟังไปก่อนก็ได้การฟังธรรมนี้ก็เป็นการภาวนาเป็นการเจริญสติอีกรูปแบบหนึ่งแต่มันจะไม่สงบลึกเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกนัมันก็จําเป็นที่ต้องใช้การการฟังเทศฟังธรรมเป็นการกล่อมใจไปในเบื้องต้นก่อนพอฟังไปแล้วรู้สึกเย็นสบายก็ลองหยุดฟังแล้วลองดูลมต่อไปดูก็ได้ถ้าดูได้ก็ดูไป อ้าดูไม่ได้ก็ฟังต่อไปฟังไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบจะเย็นแล้วค่อยดูลมไปอีกทีหนึง่งคำถามข้อต่อไปจากคุณนภัสนะครับเวลานี้อารมณ์เวลามีอารมณ์ไม่พอใจโกรธเวลาที่เราได้ยินได้ฟังจิตเรารู้ว่าความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วจิตรู้ แต่ความโกรธแค่เบาบางลงยังไม่ดับไปทันทีต้องใช้วิธีการคิดว่ามันเป็นแค่เสียงเท่านั้นเดี๋ยวก็จะจบลงแล้วมันไม่เป็นแบบนี้ไปตลอดไปโกรธก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรปล่อยเขาพูดต่อไปเถอะเรารักษาใจเราไว้ดีที่สุดแล้วความโกรธก็ดับไปกลายเป็นความรู้สึกสงสารตัวเองสงสารคนพูดว่านี่ไงอวิชชาคอมงาจิตอยู่ เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราโง่แค่ไหนที่หลงอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่เกิดกับเรียนถามว่าใช้วิธีนี้กับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสังเกตว่าการใช้ความคิดพิจารณาอารมณ์มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆการดับอารมณ์ก็เร็วมากจนเห็นความเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดทั้งวันจนรู้สึกว่าจริงๆแล้ว ชีวิตไม่ได้มีสาระอะไรเลยเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากเกิดอีกมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นที่ทำอยู่นี้ถูกทางหรือเปล่าปัจจุบันไม่ได้ทำงานแล้วอยู่บ้านดูแลพ่อที่อายุมากนั่งสมาธิไม่มากใช้การเจริญสติในชีวิตประจาวันมากกว่าก็ถูกแล้วละนี่เรียกว่าการใช้ปัญญา เป็นการดับความทุกข์ดับความไม่สบายอกสบายใจต่างๆเพียงแต่ว่ามันจะดับไปได้ถึงขั้นไหนตัวไหนเท่านั้นเวลาไปเจอตัวที่มันหนักๆมันแรงๆนี้ไม่รู้ว่าจะมีกำลังดับมันหรือเปล่าเพราะเราก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้าไปถึงตัวใหญ่ๆตัวที่เราไม่มีกำลังสู้มันก็นแสดงว่าเราไม่มีสมรรถะไม่มีสมาธิพอที่จะสู้กับมัน ส่วนตัวที่เราสู้ได้ที่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยที่เราพอที่จะมีกำลังของสมรรถะพอที่จะสู้กับมันได้ดังนั้นก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆถามว่าวิธีการที่อย่างนี้ถูกไหมถูกเพียงแต่ว่าจะไปถึงพาให้ไปถึงยอดเขาเลยหรือไม่นี่ก็ต้องลองทดสอบดูเอาเองต้องไปหาปัญหาที่มันหนักอารมณ์ที่มันหนัก ว น, นี้ดูว่าจะหยุดมันได้จะดับมันได้หรือเปล่าคำถามข้อต่อไปจากคุณสำชัยนะครับจิตหยาบกระด้างไม่อยากทำทานที่เป็นการสร้างวัดสร้างพระเลยรู้สึกว่าไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าจะทําถนนเอาน้าไฟเข้าวัดแบบนี้จะอยากทาเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ แบบนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิและเป็นบาปหรือเปล่าคือของทุกอย่างมันก็มีมีเหตุมีผลมีความจำเป็นของมันวัดก็ต้องมีเพียงแต่ว่ามันควรจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ถ้าไม่มีวัดแล้วเราจะทำถนนไปหาวัดได้ยังไง <c oughs> คำถามมันก็ขัดกันอยู่แล้วไม่อยากสร้างวัดแต่อยากจะสร้างถนนไปวัด แล้วถ้าไม่มีวัดจะไปอาธรรมถนนไปวัดที่ตรงไหนนะ่ะมันก็ต้องสร้างวัดก่อนเองแต่วัดขอให้เป็นวัดที่มันอยู่ในอยู่ในกรอบของที่พระเจ้าได้ทรงอสอนเท่านั้นเองคือให้เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นวัดแบบมีถาวรลวัตถุต่างๆ เป็นมีเจดีย์มีโบสถ์มีศาลามีพระพุทธรูปเป็นสิบองค์เป็นร้อยองค์อะไรต่างๆางนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ใชเ่เป็นส่วนประกอบของวัดส่วนประกอบของวัดก็คือต้นไม้ป่าเขาที่สงบสงัดมีเวแล้วก็กระตอปเล็กๆพอที่จะหลบแดดห ล, ลบฝนได้แล้วก็ศาลาพอที่จะทำภารกิจเช่นการขบฉัน การอบรมสั่งสอนเท่านี้เองที่เป็นฐาวัลวัตถุที่จําเป็นต่อาการสร้างวัดแต่ของอย่างอื่นนี้ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เหตุใช้ผลเรื่องของการที่เราจะทําบุญทําทานเราก็ควรจะมองอยู่ที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทําทานของเรา ว่ทําแล้วทําให้วัดสงบสงัดวิเวกเลยกลับทําให้วัดวุ่นวายถ้าทําให้วัดวุ่นวายแล้วก็อย่าไปทําเช่นไปสร้างเมนอย่างเนี้ยมันจะสงบแล้วจะวุ่นวายถ้าสร้างเมนเดี๋ยวก็คนก็จะต้องเอาคนตายมาเผาก็ต้องมีเอาพ้ามาสวดบูชามีเครื่องขยายเสียงมีการทํากับข้องกับข้าวกับปลาอาหารเลี้ยงคนมางานศพมันก็จะกลายเป็น ที่วุ่นวายที่พุกพล่านไปวัดป่าต่างๆจริงไม่มีเมนกันไม่มีโบวถกันเพราะถ้ามีบวชก็จะมีพิธีบวชพระอุปสมบทกันแล้วบวชสมัยนี้มันไม่ได้บวชแบบจริงๆบวชกันแบบเป็นธรรมเนียมบวชกันสิหวันเจวันก็ลาสิกขากันมันก็จะมาเอาน้ําความวุ่นวายความพุกพล่านมาให้กับวัดวัดที่จะสงบก็เลยไม่สามารถที่จะสงบได้ เพะะนั้นเวลาที่เราจะทำบุญเกี่ยวกับวัดว า, ารามเราก็ต้องคำนึงว่าทำไปเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นวิเวกหรือว่าทำให้เกิดความวุ่นวายความพุกพานต่างๆขึ้นมาถ้าทำให้เกิดความวุ่นวายก็อย่าไปทำเสียเงินไปเปล่าๆเป็นโทษไม่ได้เป็นคุณฉั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจาเป็น ถึงแม้จะไม่ได้ทำกับวัดแต่ถ้ามันมีความจาเป็นอย่าต้องทำก็ต้องทาเพราะมนุษยธรรมความเมตตากรุณาเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าเราสร้างที่พักพิงให้เขาได้อยู่อาศัยกันคนไม่ต้องไปนอนตามใต้สะพานนอนตามข้างถนนอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเหล่านี้กับประโยชน์ที่ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมนี้มันต่างกันมากถ้าเราสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุธรรมเขาก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นได้เป็นจำนวนมากแต่ถ้าเราไปสร้างที่อยู่อาศัยให้คนคนไร้ที่อยู่อาศาัยคนขอทานอยู่เขาก็จะไม่ได้ทาประโยชน์อะไรให้มากกับผู้อื่น เพราะตัวเขาเองไม่มีคุณภาพเขาไม่มีธรรมะไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตนยกตนให้สูงขึ้นให้มีความรู้ความฉลาดเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เห็นเวลาจะทำประโยชน์อะไรก็ต้องคำานึงหลายหลา ย, หลายเหตุหลายผลด้วยกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำคุณทำประโยชน์แต่ถ้าเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องช่วยเหลือเขาไป ผู้ถามมีความกังวลครับพระอาจารย์ว่าความคิดเขาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิและบาปไหมครับพระอาจารย์ก็ที่อธิบายฟังแล้วไงเราก็ไม่สามารถตัดสินใจว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือไม่แต่ให้เขาใช้เหตุใช้ผลก็แล้วกันว่าเขาจะทําอะไรทําบุญอะไรกับใครนี้มันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าถามว่าประโยชน์ที่จะได้รับให้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี้ทําบุญกับพระาศาสนาเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุด เพียงแต่ว่าทำให้มันถูกต้องทําให้เกิดประโยชน์ดังที่เราต้องการคือทําให้เกิดมีพระอรหันเกิดขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประโยชน์แต่ถ้าทําแล้วทําให้เกิดมียอดเจดีเต็มไปหมดมีมีศาลามีโบสถ์เต็มไปหมดแต่หาพระาอรหันพระอริยะไม่ได้แม้แต่รูปเดียวนีทําไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆแต่ถ้าเราไม่สามารถทํากับพระพุทธศาสนาได้เราก็ทํากับ โรงพยาบาลก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้อย่างน้อยถ้ามีโรงเรียนคนก็จะมีการศึกษาสังคมใดที่มีการศึกษาก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นถ้าสังคมที่ไม่มีการศึกษาก็จะมีการามีอาชญากรรมมีการการะทำบาปกรรมต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าดัางนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมา คำถามข้อสุดท้ายจากคุณต๋องครับทําบุญ10 บ, บาทกับทําบุญ10บล้านสร้างเจดีองค์เดียวกันได้อนิสงเท่ากันไหมถ้าเจตนาบริสุทธิ์เหมือนกันคุณมี10 บ, บาทแล้วคนให้บริจาคทั้ง10 บ, บาทเนี่ยกับคนที่มีร้อยบาทแล้วบริจาคเพียงสิ บ, บาทเนี่ยคนบริจาค10 บ, บาทนี้จะมีความอิ่มใจสุขใจมากกว่า ความอิ่มใจสุขใจนี้ก็เป็นบุญยันจะบอกว่าคนที่สละหมดเลยเนี่ยกับคนที่สละเพียงร้อยละสิบเนี่ยใครจะได้ความอิ่มใจสุขใจได้บุญมากกว่าก็ต้องบอกว่าคนที่สละหมดเลยถึงแม้จะเป็นเพียงสิบบาทเท่านั้นเองแต่เขามีเท่านั้นแล้วเขายินดีที่จะสละหมดไปเลยแต่คนที่มีร้อยบาทนี้ถ้าอยากจะมีความรู้สึกแบบเดียวกับคนที่สละ10 บ, บาท ก็ต้องสละทั้งร้อยบาทไปถึงจะได้ความรู้สึกแบบเดียวกันแต่ประโยชน์ที่จะได้นี้ไม่เท่ากันคนที่บริจาค10บาทกับคนที่บริจาคร้อยบาทนี่ประโยชน์มันเกิดขึ้นไม่เท่ากันแล้วประโยชน์นี้ก็จะกลับมาคนบริจาคไม่เท่ากันเพราะเป็นเหมือนกับการลงทุนคุณซื้อลอตเตอรี่10บาทคุณถูกคุณก็ได้แค่รางวัลจากสิบาทที่คุณแทง แต่ถ้าคุณแทงร้อยบาทเวลาคุณถูกคุณก็ได้รางวัลร้อยบาทไอ้เวลาคุณทําบุญร้อยบาทกับสิบบาทเวลาตายไปนี้จะรวยไม่เท่ากันเวลากลับมาเกิดใหม่นี่จะรวยไม่เท่ากันเพราะคุณทำร้อยคุณก็ต้องได้ร้อยดูดูกี่เท่าของร้อยที่คุณทําไปส่วนคุณทำสิบคุณก็จะได้กี่เท่าของสิบที่คุณทําไปแต่ความอิ่มเอิบใจความสุขใจนี่ มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมากน้อยอยู่ที่ว่าคุณมีมากมีน้อยแล้วคุณสละในสัสดส่วนเท่าไหร่ถ้าคุณสละร้อยทั้งร้อยเต็มร้อยคุณก็จะได้ความความสุขใจอิ่มใจเต็มร้อยถ้าคุณสละเพียงร้อยละสิบมันก็จะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเพียงร้อยละสิบเนั้นเองแต่มันมีสองประเด็นประเด็นคือเรื่องทางความรู้สึกทาง จ, จิตใจ กับอันนี้สองคือทรัพย์ที่เราจะได้รับต่อไปภายในพบหน้าชาติหน้านี้มันก็ไม่ไม่ไมเท่ากันทัดใหญ่ไหมเรีนทุกคนก็ทำแค่สิบบ่ายกันเราจะได้เท่ากันหมดหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับ ก็มีคนเขาบอกว่าเขาชอบฟังกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาพยายามติดตามรอรอทุกวันฉะนันอยากขี้เกียจ น, นะมีคนเขาเหมือนกับเด็กรอรอนมถึงเวลาแจกนมเด็กก็ต้องรีบจางมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าไม่มีก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด